บุ๊ก <Book> 2หกสิบสี่อะไลุกการปฏิเสธหนึง่งนราการณดิฉันไม่เข้าใจคำสาปนา้ากูอาปาดมอัดังกาวดันเลดดิฉันไม่เข้าใจประโยค นากูอาวาักย์มรดงคาวดัดน์เลดูดิฉันไม่เข้าใจความหมายนากูดานีอ ร, อรด์ดมอรดงคาวัดน์เลดูคุณครูอัยาปกรู้คุณเข้าใจคุณครูไหมคะอัยาปกรเจ็จปินดีอรมออดมเตค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี เอาโน้ น, น้าก็อ่านเชพินดีอดห์มาอุทนดีคุณครูอัธยาปกราลูคุณเข้าใจคุณครูไหมคะอัธยาปกราลูเชพินดีอดห์มาอุทนั้ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีเอาโน้ น, น้าก็่านเชพินดีอดห์มาอุทนดี ผู้คนมนุษย์ลุคุณเข้าใจผู้คนไหมคะมีกุมมนุษย์ลูอัมาอุตาระไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหรค่ค่ะเลยดูนากวิอันตาการดังคารุเพื่อนหญิงแฟนสเนฮิตุราลุ คุณมีแฟนไหมมีกุศนเหตรอะรลูกุนดาค่ะดิฉันมีเอาโนวากสศนเหตรอะรลูุนดีลูกสาวกูตุรคุณมีลูกสาวใช่ไหมมีกูกูตุรุนดาไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว เล็ดูน้าคุกคูตุรเ